รู้ไหมว่าฉันเป็นใครธรรมชาติของจิตฝ่ายปรุงแต่งมักจะปรุงแต่งเพื่อความเป็นไปในการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วจำไว้จนกลายเป็นบุคลิกภาพของคนคนนั้นที่มีความขัดแย้งทางความคิดความถือตัวถือตนว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่ความคิดและการกระทำของฉันถูกต้องคนอื่นไม่ใช่หรือที่เรียกว่า มานะทิฐิมานะคือความถือตัวถือตนทิฐิคือความคิดเห็นมานะทิฐิคือความคิดเห็นถือตัวถือตนถือดีถือเด่นไม่ยอมรับหรืออัตตานั่นเองวิธีทำให้มานะทิฐิน้อยลงเราไม่ได้เป็นใครเลยเราเป็นสัตว์ผิวดินธรรมดาไม่ได้เป็นอะไร ที่เป็นมานะทิฏฐิราะไปหลงสมมติว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเจ้านายเป็นผู้บังคับบัญชาโดยสรุปมานะทิฏฐิเป็นการหลงตัวเองถือตนถือตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่ใครจะสมมติให้เราเป็นอะไรก็ได้แต่แค่สมมติจริงๆสมมติเพื่อให้ทำหน้าที่ไม่ใช่ไปหลงสมมติสมมติบัญญัติคือสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมาหรือสังขาร แล้วเราไปติดสมมติหรือสังขารของคนอื่นเราไม่ได้เป็นอะไรเราทำหน้าที่ของเราธรรมดามดาและวาราทิฏฐิจะลดลงรู้ว่าคิดอะไรแล้วก็วางพอรู้ทันความคิดก็หายไปถ้าโกรธไปแล้วก็จบแล้วเฉพาะเรื่องนั้นเสียเฉพาะตรงนั้นไม่ต้องไปคิดต่อเท่ากับสองคิดไม่เอาความคิดอื่นมาต่อ เราคือคนธรรมดาไม่ใช่ผู้วิเศษที่ทำอะไรไม่ผิดไม่บกพร่องทุกคนมีผิดมีถูกเป็นเรื่องธรรมดาของคนออกอาการแล้วก็แล้วไปจบเลยสติเรายังไม่เต็มก็เป็นอย่างนี้อย่าเล็งผลเลิศเกินไปได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่เช่นนั้นคิดซ้ำซากออกอาการแล้วต้องจบเลยไม่ต้องไปคิดอะไรต่อ อย่ามาคิดว่าเรามาทำอย่างนี้เราไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นต้องค่อยๆขัดขัดค่อยๆถูจากซุงท่อนใหญ่เป็นแจกันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่ทำวันนี้ต้องให้เป็นวันนี้ไม่ใช่มีผิดบ้างมีถูกบ้างออกอาการบ้างเป็นธรรมดาไม่ใช่เรื่องผิดปกติถ้าเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าเราเก้าวหน้า ถ้าเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าเราถอยหลังถ้ายังรู้ว่าใจเราเกิดอาการอะไรรู้ตัวรู้ตนอยู่อย่างน้อยอยังเห็นพฤติกรรมทางใจอยู่ไม่มีใครขัดกล่าวกิเลสให้เกลี้ยงในเวลาอันสั้นเราไม่ใช่มนุษย์มหัศจรรย์เราต้องขัดต้องถูวันนี้แพ้พรุ่งนี้เอาใหม่ล้มแล้วลุกใหม่ได้จบแล้วจบเลย แพ้ก็ยิ้มชนะก็ยิ้มไม่ต้องคิดอะไรต่อยิ้มแล้วก็จบส่วนใหญ่จะเล็งผลเลิศทำแล้วต้องไม่ออกอาการนั้นเลยออกอาการได้ทั้งนั้นทั้งกายวาจาใจอย่าไปคิดว่าทำไมเราต้องเป็นอย่างนั้นไม่ต้องคิดว่าเดี๋ยวตั้งหลักใหม่ก็คิดอีกแล้วน็อตหลุดก็ยิ้มน็นอตไม่หลุดก็ยิ้มเริ่มที่ถูกต้อง คือรู้สึกตัวแล้วก็จบไม่ต้องวนมาใหม่จบให้เป็นจบลงตรงนั้นอย่าไปตั้งหลักวิ่งวนใหม่ไม่เช่นนั้นก็วนอยู่อย่างนั้นความคิดเราเป็นตัวพาวนไม่ต้องรำคาญเราอยากเอาชนะมันมันก็จะเอาชนะเราอยู่ทุกวันนี่คือการต่อสู้พอเราอารมณ์เสียมานั่งคิดว่าไม่น่าอารมณ์เสียแพ้ความคิดอีกแล้ว ถูกความคิดลากไปอีกแล้ววนไปแล้วให้จบในเรื่องเดียวอย่าต่อหัวต่อหางเป็นหลายเรื่องนี่เป็นวัตตะเป็นวังวนออกจากมันไม่ได้พอความคิดไม่มาก็นั่งนึกหาแพ้อยู่ดีเมื่อไหร่จะมาเท่ากับนั่งคิดอยู่ดีเราถูกมนหลอกอยู่ตลอดเวลาคนที่จะหลุดจากกฎธรรมชาตินี้ต้องเข้าใจจริงๆ ยากมากที่คนจะหลุดจากกฎธรรมชาตินี้เราจะหลุดจากกฎธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งได้อย่างไรถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาสอนจะรู้ได้อย่างไรจะหลุดจากความนึกคิดปรุงแต่งได้อย่างไรเราถูกมันลากไปเราไม่เคยรู้เรื่องธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งมาก่อนเราอยู่กับมันจนเคยชินนึกว่าจะชนะแพ้นี่นะตั้งหลักใหม่ แพ้แล้วแพ้อีกนับไม่ถ้วนสติปัญญาอย่างเดียวที่จะเอาชนะได้เครื่องร้อยรัดผูกพันเจตใจ เรื่องร้อยรับผูกพันจิตใจที่ก่อให้เกิดทุกข์ในใจก็คือสังโยชนิสิทธิธจะต้องละให้หมดสิ้นได้แก่หนึ่งสักกายทิฏฐิคือการเห็นผิดว่าก้อนกายที่ประกอบด้วยความรู้สึกความจําความนึกคิดและอารมณ์เป็นตัวเป็นตนการละสักกายทิฏฐิได้คือจะต้องเห็นให้ถูกต้องว่ารูปนามขันห้า หรือรูปธปาตุนามธาตุเป็นภาวะที่เกิดเกิดดับดับอยู่ตลอดเวลาหาใช่ตัวตนไม่ยึดติดยึ ด, ยดถือไม่ได้ให้ละวางเสีย 2. อวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในวิธีประพฤติปฏิบัติในการเดินทางไปสู่ความพน้นทุกข์การละวิจิกิจฉาได้คือรู้ทันความลังเลสงสัย ในวิธีประพฤติธปฏิบัติต่างๆจนกระทั่งความลังเลสงสัยนั้นหมดไปและเชื่อมั่นว่าวิธีที่ปฏิบัติมานี้ถูกต้องแล้วทำให้พ้นทุกข์ได้จริง 3. สีลับประตับปรามาตรคือความหลงผิดที่ทำให้ใจพัดหลงไปสู่เส้นทางอื่นซึ่งไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ เช่นทำอะไรแล้วไม่เกิดผลใดๆที่ทำให้ทุกข์หายไปจากใจหรือประเมินผลในทางพ้นทุกข์ไม่ได้การละสีลัพตะปรามาต์คือการประพฤติป ฏ, ปฏิบัติไม่พลัดหลงไปในทางที่ไม่พ้นทุกข์อีกหรือในทางที่ทำให้พ้นทุกข์ไม่ได้ 4. กามราคะคือความหลงผิดนึกผิดที่จะพาหูตาจมูกลิ้นกาย วนไปสู่กามภพบคือความพึงพอใจอย่างยึดติดผูกพันในกามอารมณ์ทั้งหลายที่ยังควบคุมไม่ได้ห้ามปรามไม่ได้การละกามราคะได้คือพฤติกรรมของกามคุณห้าขาดศูนย์ไปการเวียนกลับมาเกิดในกามภพคือพบมนุษย์หรือพบสัตว์หรือเรียกรวมว่าพบหยาบนี้ขาดศูนย์ไป คือไม่เวียนกลับมาเกิดในภพหยาบอีกห้าปฏิฆะคือความหลงผิดไม่รู้เท่าทันความนึกคิดปรุงแต่งและอารมณ์ที่ไม่ชอบใจจนทำให้เกิดความหงุดหงิดขัดเคืองใจและละวางปรากฏการณ์ของอารมณ์ทางใจชนิดนี้ไม่ได้การละปฏิฆะคือต้องรู้ทันความคิดและอารมณ์เหล่านั้นจนมันหายไปหก รูปปราคะคือความหลงผิดไม่รู้เท่าทันความนึกคิดที่คอยดิ้นรนทยานอยากอยู่ในใจอย่างเห็นได้ชัดที่จะไปสู่การมาพบทางตาหูจมูกลิ้นกายการละรูปปราคะได้คือการรู้ทันสิ่งนี้จนมันหายไปได้เจอรูปปราคะคือความหลงผิดไม่รู้เท่าทัน ความนึกคิดที่คอยดิ้นรนทยานอยากอยู่ในใจที่จะไปสู่การมภพบทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งมีลักษณะแผ่วเบาวกว่ารูปปราคะการละอรูปปราคะคือรู้ทันมันหายไป 8. ปมานะคือความหลงผิดถือตัวถือตนถือดีถือเด่นว่าเป็นนั่นเป็นนี่ซึ่งจะต้องละให้หมดไป เก้าอุทธัจจะคือความหลงผิดไม่รู้เท่าทันจิต ท, ที่ฟุ้งซ่านไปในทางที่ชอบใจและไม่ชอบใจและความเกอ้อเขินหรือไม่แน่ใจในการชี้ขาดความพ้นทุกข์ของตนสอวิชชาคือความหลงผิดไม่รู้เส้นทางที่จะพาตนให้พ้นจากทุกข์อย่างเกลี้ยกล่อมสนิทการละอวิชชาคือรู้ทันวิธีที่จะทำให้ใจพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง ประกอบของชีวิตในคนทุกคนประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่าร่างกายกับก จ, จิตใจหรือรูปธรรมกับนามธรรมซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นสิ่งมีชีวิตและแสดงออกโดยกริยาอาการต่างๆตามธรรมชาติห้าลักษณะหรือห้าอาการด้วยกันเรียกว่าขันห้ามีลักษณะดังนี้คือหนึ่ง รูปกายหรือร่างกายรวมทั้งคุณสมบัติและพฤติกรรมทางกายทุกชนิดประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยได้แก่อวัยวะต่างๆเช่นหน้าตาลำตัวแขนขากระเพาะอาหารลำไส้ปอดหัวใจตับไตสมองเป็นต้นซึ่งอวัยวะแต่ละส่วนเหล่านี้ต่างประกอบด้วย ส, สาร และพลังงานฝ่ายวัตถุธาตุที่บัญญัติว่าธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟหรือหมายถึงอาหารน้าอากาศที่หล่อเลี้ยงร่างกายอยู่ตลอดเวลา 2. ความรู้สึกเช่นความรู้สึกเห็นความรู้สึกได้ยินความรู้สึกได้กลิ่นความรู้สึกลิ้นรสความรู้สึกสัมผัสเฉียดสีทางกาย เป็นกิริยาทางกายและทางใจร่วมกันสามความจําคือกิริยาจิตชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจต่อจากความรู้สึกเช่นจาเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้จารูปจาเสียงจากลิ่นจารสจาความรู้สึกร้อนเย็นอ่อนแข็งและการเสียดสีทางกายจาความคิดและอารมณ์ต่างๆได้สี่ความนึกคิด คือกิริยาจิตอีกชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจต่อจากความจำเช่นคิดถึงเรื่องราวต่างๆคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดจะทำอย่างนั้นอย่างนี้คิดอยากที่จะเป็นนั่นเป็นนี่เป็นต้นหอารมณ์คือกิริยาจิตหรืออาการทางจิตที่เกิดต่อจากความนึกคิดมีทั้งอารมณ์ดีอารมณ์เสียซึ่งหมายถึงสภาวะทุกข์และสุขนั่นเอง ทั้งห้าลักษณะดังกล่าวมีอยู่ในคนเราจริงๆและเราก็ทุกอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทุกอยู่กับระบบการทํางานของร่างกายทุกเพราะความรู้สึกที่เกิดขึ้นทุกเพราะความจําทุกเพราะความคิดทุกเพราะอารมณ์นี่เรียกว่าทุก์เพราะขันห้าทุกเพราะเข้าไปยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา มองให้ดีในรูปกายไม่ได้มีเราอยู่เลยแต่เราไปคิดผิดหรือเห็นผิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราความรู้สึกต่างๆก็เป็นอาการทางกายและอาการทางจิตร่วมกันที่เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งแล้วดับสลายหายไปตามเหตุปัจจัยแต่เราไปรู้สึกหรือเห็นว่าลักษณะจิตนี้เป็นตัวเราแล้วเราก็ทุกข์อยู่กับตัวมัน เรียกว่าเรายึดติดยึดถือมันว่าเป็นตัวเราของเราเราต้องวางความรู้สึกทั้งหมดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจออกไปจากใจซะด้วยนอกจากวางระบบของร่างกายออกไปจากใจความจำที่มีอยู่ในตัวเราเราก็หลงยึดถือว่าเป็นเรามีเราเป็นผู้จำจริงๆ แล้วเป็นพฤติกรรมของจิต ท, ที่เรียกว่าความจำสมมติชื่อว่าเป็นความจำแต่เราไปเข้าใจผิดว่าความจำนี้เป็นตัวเราเราจำนั่นจำนี่ได้เราจึงเป็นทุกข์ไปกับความจำเหล่านั้นเราไปยึดติดว่าความจำเป็นเราในความเป็นจริงพฤติกรรมทางจิตนี้เกิดขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับสลายหายไปในความจำ จึงไม่มีตัวตนตั้งอยู่จริงความจำตัวนี้ทำให้เราเป็นทุกข์ไปกับมันเพราะเราไม่เห็นความจริงไม่เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของจิตลักษณะ น, นี้ไปเข้าใจผิดหรือเห็นผิดว่ามีตัวตนจริงและยึดติดยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราความนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเรา คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ทั้งวันทั้งคืนเราคิดว่าเราเป็นผู้คิดแต่จริงๆแล้วความคิดเป็นลักษณะของจิตชนิดหนึ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่ในเราไม่มีเราอยู่ในความนึกคิดเหล่านั้นในกิริยาจิตหรือพฤติกรรมทางจิตที่เรียกว่าความนึกคิดไม่มีตัวตนอยู่จริงไม่มีเราอยู่ในมันแต่เราไปหลงผิดว่าตัวเราคิด เราจึงทุกไปกับความคิดอารมณ์เป็นเพียงกิริยาจิตหรือพฤติกรรมทางจิตชนิดหนึ่งทั้งอารมณ์ดีอารมณ์เสียเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแต่ละขณะแต่เราไปคิดว่าเราอารมณ์ดีอารมณ์เสียอยู่เรื่อยจริงๆแล้วอารมณ์แต่ละชนิดที่เกิดขึ้นจะตั้งอยู่ได้ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับสลายหายไป ไม่มีตัวตนอยู่จริงแต่เราหลงผิดไปยึดติดยึดถือว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นตัวเราเป็นของเราเราจึงทุกข์อยู่กับอารมณ์เหล่านั้นขันธ์ทั้งห้ามีอยู่ตามธรรมชาติแต่เราเข้าใจผิด คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราจริงๆไม่มีเราอยู่ในสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับสลายหายไปหรือเกิดเกิดดับดับอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเราทุกข์อยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะเข้าใจไม่ถูกต้องหรือเข้าใจผิดเรียกว่าเราทุกข์อยู่กับขันห้าคือทุกข์กับระบบของร่างกาย ทุกกับความรู้สึกทุกกับความจําทุกกับความนึกคิดและทุกขกับอารมณ์ทุกชนิดถ้าเราคิดว่าขันห้านี้เป็นเราจริงๆแล้วไม่ใช่มันเป็นแค่ปฏิกริยาทางวัตถุธาตุชนิดหนึ่งและปฏิกริยาทางนามธาตุหรือนามธรรมอีกชนิดหนึ่งเท่านั้นซึ่งตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วดับสลายหายไป โดยไม่มีตัวตนอยู่ในสิ่งเหล่านี้เลยถ้าเราเข้าใจถูกต้องตามที่เป็นจริงเราก็จะค่อยๆวางขันห้าลงวางความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดยึดถือขันห้าเมื่อเราวางสิ่งเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้ก็ยังเกิดอยู่ตามเหตุปัจจัยตามธรรมชาติแต่เราจะไม่ทุกไปกับขันห้า ปกติธรรมชาติของใจคนนั้นว่างเปล่าเบาสบายแต่แล้วความผิดปกติก็เกิดขึ้นในใจได้เช่นความพอใจไม่พอใจความอึดอัดขัดเคืองใจความคิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดอารมณ์ดีอารมณ์เสียทำให้ใจไม่ว่างเปล่าไม่เบาสบายเรียกว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นในใจ จะต้องหาทางแก้ไขโดยการรู้เท่าทันความนึกคิดปรุงแต่งและอารมณ์ทุกชนิดที่ทำให้ใจเป็นทุกข์ธาตุรู้หรือจิตรู้หรือใจมีหน้าที่รู้ขันห้าสัมพันธ์กับขันห้าแต่ไม่ใช่เจ้าของขันห้าเช่นไปรู้ว่ากายเคลื่อนไหวกายมีการเปลี่ยนแปลงกายไม่ใช่ตัวตน ไปรู้ว่ามีความรู้สึกเกิดขึ้นในกายเกิดขึ้นในใจความรู้สึกเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่ตัวตนไปรู้ว่ามีความจำเกิดขึ้นในใจความจำมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่ตัวตนไปรู้ว่ามีความนึกคิดเกิดขึ้นในใจความนึกคิดมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่ตัวตนไปรู้ว่า มีอารมณ์เกิดขึ้นในใจอารมณ์มีการเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่ตัวตนเมื่อเห็นขันห้าตามที่เป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนแท้จริงและสิ่งที่ไปรู้ขันห้าคือใจหรือนามก็ไม่ใช่ตัวตนแท้จริงก็จะหมดความหลงปล่อยให้ทุกสิ่งว่างจากความยึดถือเป็นใจที่ว่างเปล่าปราศจากทุก แน่ใจหรือว่าสุขจริงเราทุกคนควรเข้าใจว่าในคนเรามีแต่เรื่องทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตจนกล่าวได้ว่าทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเพราะสุขก็คือทุกข์ที่ละเอียดชนิดหนึ่งต่อเกิดอยู่ในใจ ใจคือความรู้สึกเป็นสภาวะนามธรรมาไม่ได้หมายถึงหัวใจที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายจิตคือกิริยาอาการทุกชนิดที่ก่อเกิดอยู่ในใจหรือความรู้สึกเช่นความนึกคิดปลุงแต่งและอารมณ์ทุกชนิดแม้กระทั่งอารมณ์สุขอริยสัจตีกล่าวถึงเรื่องทุกข์อันเป็นสัจธรรม หรือความจริงของชีวิตคนซึ่งประกอบด้วยทุกสมุทยัยนิโรธมักทุกหมายถึงความทุกข์ใจทุกกายเป็นผลที่เกิดจากจิตนึกคิดปรุงแต่งและการยึดติดยึดถืออารมณ์ทุกชนิดสุขสบายก็คือทุกอย่างละเอียดสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกขหมายถึงความนึกคิดปรุงแต่ง ดิ้นรนทยานอยากที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาและความขุ่นมัวเศร้าหมองของอารมณ์ทั้งหลายที่ก่อเกิดร่วมอยู่ในใจซึ่งทำให้ใจเป็นทุกข์ตามมาจิตนึกคิดปรุงแต่งไปตามสิ่งได้เห็นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จิตนึกคิดปรุงแต่งไปตามเสียงที่ได้ยินเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ จิตนึกคิดปรุงแต่งไปตามกลิ่นที่ได้สัมผัสทางจมูกเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จิตนึกคิดปรุงแต่งไปตามรสที่ได้สัมผัสทางลิ้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จิตนึกคิดปรุงแต่งไปตามสิ่งที่กระทบเสียดสีทางร่างกายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธคือสภาพของใจที่สงบว่างเปล่าปราศจากทุกข์อยู่เป็นผลจากการรู้เท่าทัน เห็นและเข้าใจจิตนึกคิดปรุงแต่งอย่างชัดเจนจนกระจ่างใจว่าความนึกคิดปรุงแต่งและอารมณ์ทั้งหลายที่ก่อเกิดอยู่ในใจล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะจิตหนึ่งแล้วก็ดับหายไปยึดติดยึดถืออะไรไม่ได้ใจก็จะปล่อยวางเป็นความว่างเปล่ามักคือวิถีทางที่ทําให้ทุก จางคลายจากใจจนหมดทุกโดยสิ้นเชิงโดยการรู้เห็นเข้าใจรู้เท่าทันจิตที่นึกคิดปรุงแต่งที่ทำให้ใจเป็นทุกทุกชนิดรู้เท่าทันอารมณ์ที่ทำให้ใจขุนมัวเศร้าหมองทุกชนิดจนสามารถปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ทำให้ทุกจางคลายลงไปเรื่อยๆ ผลทางพ้นทุก์วิถีทางหรือวิธีการที่จะทําให้ใจจางคลายจากทุกข์จนกระทั่งหลุดพ้นจากทุกขโดยสิ้นเชิงต้องอาศัยความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งและสลับซับซ้อนการจะวางใจให้ถูกต้องและพ้นจากทุกทั้งปวงได้จะต้องศึกษา หรือทําความเข้าใจเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดให้ถูกต้องโดยเริ่มต้นจากการปฏิบัติที่ถูกต้องแปดประการดังนี้หนึ่งมีความเห็นถูกต้องหรือความเข้าใจถูกต้องหมายถึงมีความเห็นและพิจารณาว่าเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นกก่นตนแล้วทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุใดทําอย่างไร ใจตนจึงจะพ้นจากทุกข์หรือออกจากกระแสะแห่งทุกข์ได้คือเห็นอริยสัจสีหรือเห็นทุกข์ถูกต้องตามที่เป็นจริง 2. มีความนึกคิดตรึกตรองถูกต้องหมายถึงมีความนึกคิดที่จะหาวิธีการว่าจะทําอย่างไรจึงจะทําให้ใจจางคลายจากทุกข์จนพ้นจากทุกข์ได้จนรู้ว่า การรู้เท่าทันความนึกคิดลุงแต่งทุกชนิดที่ทำให้ใจเป็นทุกข์รู้เท่าทันอารมณ์ทุกชนิดที่ทำให้ใจขุ่นมั่หรือรู้เท่าทันการเคลื่อนไหวของใจที่ทำให้เกิดความเครียดความไม่สบายใจและความไม่สบายกายทั้งหลายจะทำให้ความทุกข์จางคลายลงหรือหมดไปจากใจในที่สุดสาม มีการใช้คำพูดถูกต้องหมายถึงการรู้เท่าทันจิตที่นึกคิดจะพูดก่อนจะพูดอะไรให้รู้เท่าทันความคิดนั้ น, น, นก่อนเป็นกระบวนการทำงานของใจหรือการทำงานทางใจล้วนๆแล้วคือรู้เท่าทันจิตที่คิดจะพูดในทุกขณะทำให้เกิดการพูดที่ไม่ก่อโทษก่อทุกข์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น 4. มีการกระทำทางกายถูกต้องหมายถึงการทำงานของใจที่ผ่านการนึกคิดตรึกตรองถูกต้องรู้เท่าทันจิตที่คิดจะกระทำทางกายก่อนจะทำทำให้เกิดพฤติกรรมทางกายที่ถูกต้องไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนหรือก่อโทษก่อทุกข์แก่ตนและผู้อื่น 5. มีการงานของใจถูกต้องหมายถึง หน้าที่หรือการกระทำของใจที่จะต้องระวังรักษาใจไม่ให้เป็นทุกข์โดยการรู้เท่าทันความนึกคิดปรุงแต่งทุกชนิดรู้เท่าทันอารมณ์ทุกชนิดหรือรู้เท่าทันการเคลื่อนไหวของจิตทุกชนิดทุกขณะเพื่อไม่ให้เกิดทุกข์ขึ้นในใจซึ่งจะต้องทำอย่างจริงจังต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยไม่เกียจคร้านหรือปล่อยปละละเลย หมีความภาคเทียนถูกต้องหมายถึงความภาคเทียนพยายามของใจอย่างจริงจังตั้งใจและต่อเนื่องที่จะทำให้ใจคลายจากทุกข์จนกระทั่งพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงโดยการรู้เท่าทันการเคลื่อนไหวของจิตทุกชนิดทั้งจิตที่นึกคิดปรุงแต่งและอารมณ์ที่เข้ามารบกวนจิตใจอยู่ทุกขณะเจ็ด มีการระลึกรู้ถูกต้องหมายถึงการฝึกตัวรู้ให้รู้เท่าทันจิตที่นึกคิดปรุงแต่งให้เกิดทุกแต่ละขณะได้มากขึ้นรู้เท่าทันอารมณ์ที่เข้ามารบกวนจิตใจได้มากขึ้นจนทุกจางคลายจากใจมากขึ้นมากขึ้นตัวรู้เท่าทันความนึกคิดปรุงแต่งที่ทำให้เกิดทุกขในใจ รู้เท่าทันอารมณ์ที่เข้ามารบกวนจิตใจในปัจจุบันขณะนี้แหละเรียกว่าสติหรือสัมมาสติ 8. มีใจตั้งมั่นถูกต้องหมายถึงการมีสภาพใจที่ตั้งมั่นสงบว่างเปลา่ปลาปราศจากทุกข์เป็นสภาวะที่เกิดต่อเนื่องมาจากการระลึกรู้ถูกต้องจะมีสติเป็นรอบ มีความมั่นคงของใจที่แท้จริงหรือสัมมาสมาธิถือว่าเป็นแก่นของสมาธิต่อจากนี้จะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงหรือรู้จริงในสัจธรรมอย่างถูกต้องคือเข้าใจในสัจธรรมตรงตามความเป็นจริงโดยไม่มีความนึกคิดปรุงแต่งที่ทำให้ใจเป็นทุกข์เกิดขึ้นในใจอีก หรือไม่มีความขุนมัวเศร้าหมองคอยปิดบังใจอยู่ในที่สุดจะถึงซึ่งความหลุดพ้นอย่างถูกต้องคือหลุดพ้นจากความนึกคิดปรุงแต่งที่ทําให้ใจเป็นทุกข์หลุดพ้นจากอารมณ์ที่เข้ามาครอบนำใจปิดบังใจให้ขุนมัวเศร้าหมองและเป็นทุกข์ตามมาหรือหลุดพ้นจากความอยากและความยึดถือผิ ด, ผด เพื่อให้ได้ให้มีให้เป็นในสิ่งที่คิดผิดหรือเข้าใจผิดว่าเป็นตัวตนของตนจนเป็นทุกข์เกิดสภาวะใจที่บริสุทธิ์ผุดพองว่างเปล่าปราศจากทุกข์โดยสิ้นเชิงอยู่ซึ่งจะกล่าวว่าเป็นความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงก็ได้เพราะทุกข์ที่มีอยู่ทำอะไรใจไม่ได้อีกต่อไป ปิดกั้นความเจริญในการฝึกจิตใจให้จางคลายจากทุกข์มีเครื่องปิดกั้นความเข้าใจและการเข้าถึงใจที่เป็นอุเบกขาอยู่ห้ากองหรือห้าลักษณะด้วยกันคือหนึ่งกา ม, มาฉันทะคือความนึกคิดปรุงแต่งดิ้นรนทยานอยากไปในทางหลงยึดหลงติดหลงเศษในรูปรสกลิ่นเสียง สัมผัสเสียดสีทุกชนิดที่เรียกว่ากามคุณห้า 2. พยาบาทคือความอาฆาตความกโกรธความชุนเฉียวขุ่นเคืองใจแค้นใจผูกใจเจ็บความอึดอัดใจหงุดหงิดใจไม่พอใจทุกชนิดสทถินิมิธะคือความม่วงเหงาหาวนอนจิตรี จิตซึมเศร้าหดหูห่อเหี่ยวเหงาหงอยหลงหลับที่คอยครอบงำใจอยู่ทุกขณะสอุดทัศจะกุกุจจะคือความนึกคิดปรุงแต่งที่ฟุ้งซ่านไปในทางชอบใจไม่ชอบใจทุกชนิดได้แก่ความซับสายของใจความเดือดร้อนวุ่นวายใจความปราคาญใจความรุ่งใจความวิตกกังวลต่างๆ ห้าวิจิิจฉาคือความลังเลสงสัยไม่แน่ใจทุกชนิดในการประพฤติป ฏ, ปฏิบัติว่าถูกต้องหรือไม่จะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติจริงหรือไม่นิวรทั้งห้ากองที่ก่อเกิดขึ้นเหล่านี้ทำให้ใจไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิและติดกั้นใจไม่ให้บรรลุถึงความบริสุทธ เมื่อเรารู้เท่าทันกิเลสไมวรนที่เกิดขึ้นในใจเหล่านี้ใจเราก็จะโปร่งโล่งเบาสบายมีปิติอิ่มเอิบสดชื่นแจ้งเข้ามาพอเริ่มรู้เท่าทันไิวรนทั้งห้า ก, กองนี้จิตจะเริ่มเข้าสู่สมาธิและใช้เป็นบาดฐานในการสุดจิตเชิงวิปัสสนาหรือปัญญาต่อไป ตัวช่วยในการฝึกฝนตนให้พ้นทุกข์การจะฝึกฝนตนให้พ้นทุกข์หรือการทําการงานใดๆหลักธรรมที่ควรนํามาใช้คืออิทธิบาทสี่ได้แก่ 1. มีความพอใจที่จะฝึกฝนจิตใจให้จางคลายจากทุกข์จนจิตใจหลุดพ้นจากทุกข์2มีความเพียรพยายาม ที่จะฝึกฝนจิตใจให้หลุดพ้นจากทุกข์สมมีความสนใจและใส่ใจในการกระทาคือการฝึกฝนจิตใจอย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยปละละเลยแต่ไม่ใช่ทำอย่างเคร่งเครียดสพิจารณาตรึกตรองเพื่อให้เข้าถึงความจริงในสิ่งที่ตนกระทา